สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นเพื่อการกำจัดความทุกข์ต่างๆ <c oughs> ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปธรรมะวันนี้ที่เราจะฟังกันก็คือเรื่องกรรมฐาน <c oughs> กรรมฐานนี้ <c oughs> สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมนี้ควรจะรู้จักกันว่ากรรมฐานนี้คืออะไร <c oughs> กรรมฐานนี้เป็นคำที่ประกอบด้วยคำสองคำด้วยกันคือหนึ่งกรรมและสองฐาน <c oughs> คำว่ากรรมแปลว่าการกระทา <c oughs> การทำงานเรียกว่ากรรม ส่วนฐานก็คือที่ทำงานที่ทำที่ทาอะไรต่างๆฐานแปลว่าที่ตั้งของงานกรรมฐานนี้ก็คือที่ทำงานงานคืออะไรงานที่พูดถึงนี้ก็คืองานภาวนางานชาระจิตใจให้สะอาดบริสุทธ กำจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเพื่อใจจะได้สะอาดบริสุทธิ์ผุดพองหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง <c oughs> การภาวนานี้ยึงจำเป็นที่จะต้องมีกรรมฐาน <c oughs> มีที่ทำงานเหมือนีกับ ผู้ที่มีอาชีพทำค้าขายต่างๆก็ต้องมีที่ทำงานพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องมีร้านขายของไว้ขายมหมอหรือพยาบาลก็ต้องมีโรงพยาบาลไว้เป็นที่ทำงานคนที่ทำงานทุกคนจะรู้ดีว่าต้องไปที่ทำงานเวลาที่จะทำงานให้เกิดผลขึ้นมา อัในใดผู้ที่บำเพ็ญจิตตภาวนาทำงานเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงก็จำเป็นที่จะต้องมีที่ทำงานที่เรียกว่ากรรมฐาน mm hmm. กรรมฐานนี้มีแสดงไว้ถึงสี่สิบอย่างด้วยกัน <c oughs> กรรมฐานนี่คือสิ่งที่จะเป็นอารมณ์ให้เกิดความสงบแก่จิตใจและให้เกิดความสว่างเกิดปัญญาให้แก่จิตใจการทำงานทางด้านจิตตภาวนาจึงมีแบ่งเป็นสองงานด้วยกันงานแรกเรียกว่างานสมถภาวนา การทำใจให้นิ่งสงบให้เกิดความสุขเกิดอุเบกขาแลงานระดับที่สองก็คืองานวิปัสสนาคืองานให้ความรู้ให้ความสว่างแก่จิตใจที่จะนำเอาไปใช้ในกาจัดโมหะอวิชชาความหลงความมืดบอดที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิด ความโลภความโกรธต่างๆขึ้นมากรรมฐานนี้ก็จะมีอยู่สองชนิดด้วยกันชนิดที่ใช้เพื่อความสงบและชนิดที่ใช้เพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความสว่างขึ้นมาในใจกรรมฐานสี่สิบนี้ก็มีแบ่งไว้อยู่เป็นกลุ่มกลุ่มแรก เรียกว่าอนุสติมีอยู่สิบชนิดด้วยกันเช่นพุทธานุสติเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติเราเลิกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าสังขานุสติเราเลิกถึงพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจา้าศีลานุสติเราเลิกถึงศีลจาคานุสติเราเลิกถึงทาน ที่ได้ทำไว้กายะกะตาสติละลึกถึงการกระทำการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายหรือองค์ประกอบของร่างกายก็คืออาการสามสิบสองผมขนและฟันหนังเป็นต้นอานาปนาสติก็คือการดู ล, ลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูก แล้วก็มรณานุสติเราเลอกถึงความตายกรรมฐานเหล่า น, นี้บางกรรมฐานก็เป็นกรรมฐานเพื่อความสงบอย่างเดียวเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นบางกรรมฐานก็เป็นทั้งสมถะและเป็นวิปัสสนาเช่กนกายกตาสติ การระลึกรู้อยู่กับร่างกาย<ม>ก็จะเห็นอาการสามสิบสองของร่างกายว่าไม่สวยไม่งามเป็นต้น <c oughs> หรือการระลึกถึงมรณานุสติระลึกถึงความตายของร่างกายร่าง<ม>กายเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาการระลึกถึง มานอนุสตินี่ก็ทำให้ใจสงบได้และทำให้ใจเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกายได้นี่คือกลุ่มของอนุสติที่มีอยู่สิบชนิดด้วยกัน <c oughs> <c oughs> กลุ่มที่สองเรียกว่าอสุภะสิบเนี่อันนี้การระลึกถึงซากศพสิบชนิดด้วยกัน เช่นสร้างศพที่ตายใหม่ๆสร้างศพที่ขึ้นอืดพองสร้างศพที่ดำค้าเขียวช้ำสร้างศพที่มีนอนมีแรงกามากัดมาจิกหรือสร้างศพที่แขนขากระจัดกระจายแยกออกจากกันจนกระทั่งถึงสร้างศพที่เหลือแต่โครงกระดูก เัล่ น, น, นี้ก็เรียกว่าอสุภาสิบเป็นกรรมฐานสิบชนิดด้วยกันนอกจากนั้นก็มีการสินสิบคือการเพ่งเพ่งดูแสงดูสีชนิดต่างๆเพ่งดูสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวเป็นต้น น, นนี้ก็เป็นวิธีที่จะทำให้ใจสงบ เพงลงจากเพลงลึกถึงสีต่างๆสีใดสีหนึ่งด้วยการให้เกิดสีนั้นขึ้นมาภายในใจหลับตานึกถึงสีก่อนท่านึกไม่ออกก็ดูสีที่เราอยากจะเพ่งก่อนเช่นสีเขียวแล้วก็ดูที่ใบไม้ไปก่อนแล้วก็จําสีเขียวของใบไม้แล้วก็น้อมเอาเข้ามาในใจหลับตาแล้วก็พยายามทําให้ จาภาพในในในใจนี่เป็นสีเขียวขึ้นมา <c oughs> อันนี้เป็นวิธีการทำใจให้สงบเรียกว่ า, เ, าเป็นไปเพื่อความสงบเป็นกรรมฐานเพื่อความสงบนอกจากนั้นก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่มีเช่นรบพรมวิหารสีอันนี้ก็ให้ละเลิกถึง ความเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขาการเจริญพรหมวิหารสี่ก็สามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้เช่นเดียวกันนี่แหละคือกรรมฐานต่างๆที่จำเป็นที่จำเป็นที่จะต้องมีเวลาที่จะปฏิบัติจิตตภาวนาไม่ใช่นั่งสมาธิเฉยๆแล้วก็ ปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการภาวนาการภาวนานี้จําเป็นที่จะต้องมีกรรมฐานเป็นที่ทํางานเช่นถ้านั่งหลับตานั่งสมาธิก็จําเป็นที่จะต้องมีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้า จะระลึกแบบพิสดารหรือแบบย่อก็ได้แบบพิสดารก็สวดบทอิติพิโสไปอิติพิสสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุโทโธอันนี้สําหรับจิตใจของผู้ที่ยังวอกแวกยังคุ้งซ่านอยู่ยังไม่สามารถระลึกถึงคําบริกรรมพุโทโธได้หรือยังไม่สามารถ ด, ดูลมหายใจเข้าออกได้ ก็ใช้การสวดบทพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณไปก็ได้สวดไปหลายหลายจบก็ได้สวดไปจนกว่าใจจะรู้สึกเบาเยน็นสบายความคิดฟุ้งซ่านต่างๆหายไปสามารถที่จะให้ละเลิอกอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธเพียงอย่างเดียวก็หรือให้ดูลมหายใจเข้าออก เพียงอย่างเดียวที่ปลายจมูกก็ได้แต่การนั่งภาวนานี้ต้องมีกรรมฐานไม่ใช่นั่งเฉยๆนั่งแล้วก็ปล่อยให้ใจคิดปุงแต่งคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้หรือหลอหรือให้ใจหลอกสร้างภาพมาหลอกมาล้อนสร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเหล่านี้เป็นไม่ใช่เป็นการภาวนา ไม่ได hm mm ้ม hmm. ีการควบคุมจิตด้วยสติด้วยกรรมฐานการภาวนาในเบื้องต้นนี้เราต้องการที่จะทําใจให้นิ่งให้สงบให้มีสติคอยกํากับใจคำว่าสติก็คือกรรมฐานอนุสติต่างๆพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ หรือบางครั้งท่านใจวุ่นวายกับเรื่องคนนั้นคนนี้ห่วงใยเขากลัวเขาจะเป็นอะไรไปบางทีก็ให้เจริญมรณานุสตไปมีวิจารณาว่าร่างกายของทุกคนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่เจ็บตายล่วงพ้นความแก่เจ็บตายไปไม่ได้คิดไปเรื่อยคิดไปบ่อยๆเดี๋ยวใจก็ต้องยอมรับความจริง คนเราหนีไม่พ้นเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเมื่อยอมรับความจริงได้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายของคนนั้นของคนนี้หรือของตัวเราเองมันก็จะสงบตัวลงใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้อันนี้ก็แล้วแต่ เวลาที่นั่งสมาธินี้จิตใจอยู่ในสภาพไหนถ้าเกิดวิตกกังวลก็จเจริญมนานุสติถ้าเกิดมีกามอาร ม, มอยากจะไปร่วมเพศอยากจะไปหาความสุขอยากการร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ก็ให้จเจริญอ ส, สุภะก็ได้สรากศพคิดถึงสร้างศพคิดถึงร่างกายของแฟน ว่าจะต่อไปก็จะต้องกลายเป็นซากศพหรือดูอาการสามสิบสองของร่างกายของแฟนก็ได้หรือว่าร่นางกายมีผมขนและฟันหนังนอกจากนั้นภายใต้ผิวหนังก็ยังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีอวัยวะต่างๆที่ไม่น่าดูน่าชมเลยไม่น่าที่จะทำให้เกิดอารมณ์อยากขึ้นมาเลย พอเห็นอาการต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังแล้วไดยเห็นศพของร่างกายร่างกายกลายเป็นศพไปความอยากที่จะเส่กามก็จะระ ง, งับไปได้ทันทีใจก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วก็สามารถมาเพ่งดูลมหายใจเข้าออกให้ใจนิ่งใจสงบให้ใจรวมเป็นหนึ่งเป็น อุเบกขาขึ้นมาการที่จะเข้าให้ใจนิ่งใจสงบหยุดคิดได้นี้จาเป็นที่จะต้องเพ่งเ พ, งเพ่งลมหายใจเข้าออกนุอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวใจถึงจะรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคัตตารมสัตวารูนิ่งสงบเกิดความสุขที่เกิดจากความสงบ ที่เป็นความสุขที่เป็นที่เป็ น, ปนมหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนที่จะที่จะรับรองคําสอนของพุทธเจ้าว่านัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความความสงบไม่มีถ้าได้ความสงบได้ความสุขจากความสงบแล้วคําสอนของพระุทธเจ้าคํานี้ก็จะปรากฏขึ้นมาใน ใ, นใจทันที เห็นชอบทุกอย่างตรงแปะ๊ะเป็นสวากขาโตกัควตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วจริงๆนี่คือการทำใจให้สงบในขณะที่นั่งสมาธิแต่เวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิเวลาที่ร่างกายเคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆก็ต้องมีกรรมฐานคอยกากับใจอยู่ด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้ทำอะไรไปตามอารมณ์ทำไปแล้วก็คิดกับเรื่องนั้นคิดกับเรื่องนี้คิดกับคนนั้นคิดกับคนนี้คิดกับสิ่งนั้นคิดกับสิ่งนี้คิดไปในทางอดีตบ้างคิดไปในทางอนาคตบ้างนานๆก็กลับมาดูว่าร่่งกายกาลังทำอะไรซักครั้งหนึ่งแล้วก็กลับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแล้วก็กลับมาดูกลับไปกลับมา ไปปัจจุบันไปอนาคตไปอดีตแล้วก็กลับมาปัจจุบันถ้าปล่อยให้ใจเคลื่อนไหวอย่างนี้ไปตามกระแสของอารมณ์ความคิดต่างๆอีกเวลาจะมานั่งสมาธินี้จะนั่งไม่ได้เพราะใจมันฟุ้งซ่ายฟุ้งไปกับคนนั้นคนนี้ฟุ้งไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟุ้งไปกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ฟุ้งไปกับอดีต พุ่งไปกับอนาคตไม่ว่างจากความคิดเลยช่วงนั้นช่วงระหว่างวันในเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเราก็ต้องมีกรรมฐานคอยกากับใจกรรมฐานที่เราเลือกได้ที่นิยมใช้กันก็มีพุทธานุสติให้เราระลึกถึงพุทโธพุทโธไปตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย พอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปทํากิจอะไรก็พุโทโธกํากับไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารแต่งเนื้แต่งตัวทําความสะอาดที่วยาศัยทาอะไรให้มีสติอยู่กับงานที่กําลังทําอยู่ไอ้อยู่กับพุโทโธพุโทโธแล้วก็อยู่กับงานด้วย การที่เรามีสติอยู่กับงานการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เรียกว่ากายาอนุสติกายาตาสติกายาขตาสติคือให้เราเฝ้าดูทุกอิริยาบุของร่างกายตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก็ดูว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในท่าไหนกําลังอยู่ในท่านอนก็รู้ว่าอยู่ในท่านอน พอจะเปลี่ยนท่าจากท่านอนลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ากำลุกขึ้นมานั่งพอนั่งก็รู้ว่านั่งพอจะลุกขึ้นมายืนก็รู้ว่าลุกขึ้นมายืนพอยืนก็รู้ว่ายืนพอจะเดินก็รู้ว่าเดินพอก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่าก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็เก้าวเท้าขวาไปให้จดจ่อให้เฝ้าดูอยู่กับการขึ้นไหวต่างๆของร่างกายไปอย่างนี้ก็เรียกว่าการมีกายกตาสติ มีกรรมฐานคอยกากับมีงานทามีงานเรียกว่ากำลังภาวนาความจริงการภาวนาจริงไม่ได้อยู่ที่การนั่งเฉยๆนั่งหลับตาเพียงอย่างเดียวการภาวนาที่แท้จริงคือการมีสติมีกรรมฐานคอยคอยควบคุมความคิดไม่ให้ใจคิดลอยไปลอยมากับเรื่องราวต่างๆ ถ้าเป็นนักปฏิบัตินี้จะถือการปฏิบัตินี้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับนี่เป็นเวลาของการปฏิบัติทั้งสิน้นไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่มานั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสําคัญการที่จะทาใจให้นิ่งสงบได้จาเป็นที่จะต้องอยู่ในท่านั่งแต่ก่อนที่จะมาอยู่สู่ที่ท่านั่งได้ เมื่อร่างกายยังมีกิจอย่างอื่นต้องทำอยู่กิจส่วนตัวอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวทำความสะอาดช่วงนั้นก็ต้องมีกรรมฐานมีการทำงานของกรรมฐานจะเป็นพุทธานุสติก็พุทโธพุทโธไปจะเป็นกายกัตตาสติก็คอยเฝ้าหูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังกวาดบ้านก็อยู่กับการกวาดบ้าน กำลังเช็ดถูอะไรก็ให้อยู่กับการเช็ดถู mm. หรือว่าเวลารับประทานอาหาร ก, ก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารตั้งแต่ตักข้าวจากจานขึ้นมาเอาข้าวใส่ปากขอเข้าไปในปากแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวข้าวแล้วก็กลืนข้าวลงไป <Yeah. S 1> เนี่ยเฝ้าดูการการการไปของอาหารของข้าวจากจานเข้าไปสู่ปาก แล้วก็ไปสู่การเคี้ยวแล้วก็สู่การเกินเข้าไปในท้องแล้วก็กลับมาตักข้าวใหม่เคี้ยวใหม่เกินใหม่ต้องให้อยู่กับการกระทําเหล่านี้อย่างต่อเ น, นื่องเลยไม่ให้ส่งไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งมักจะเป็นนิสัยของผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมมักจะกินไปคิดไปบางทีก็คิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนคิดถึงพี่คิดถึงน้อง บางทีก็คิดถึงเรื่องงานเรื่องการบางทีก็นั่งคิดบัญชีในใจเดือนนี้จ่ายไปเท่าไหร่มีรายรับเท่าไหร่คิดไปแล้วก็ทำแล้วก็กินไปอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติถ้าจะคิดก็ต้องหยุดกินสมมุติถ้ามีครั้งจำเป็นจะต้องคิดก็นั่งเฉยๆแล้วก็อยู่กับความคิดอย่างเดียวคิดให้พอคิดว่าจะต้องทําอะไรบ้างจะต้องไป ไปพบกับใครหรืออะไรก็ตามคิดให้คิดเท่าที่จาเป็นแต่ตอนนั้นอย่าไปทำอะไรเอาเอาเอาความคิดนี้มาเป็นเป็นที่ตั้งของสติของของที่ตั้งของ ก, รรองการทำงานเป็นกรรมฐานใช้ความคิดนี้เป็นกรรมฐานแต่มันเป็นความกรรมฐานที่จะไม่ทำใจให้สงบเพราะถ้าใจคิดมันจะสงบไม่ได้ แต่เนื่องจากชีวิตของเรายังอาจจะมีความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆอยู่ยังอาจจะเป็นจะต้องใช้ความคิดในขณะที่เราจเจริญสติจเจริญกายกตาสติหรือจเจริญพุทธานุสติแล้วมีความจำเป็นที่จะคิดถึงเรื่องที่จำเป็นเราก็หยุดพุทโธไว้ก่อนหยุดการเคลื่อนไหวของร่างกายไว้ก่อนแล้วยืนคิดหรือนั่งคิดก็ได้ อย่าน้อยก็มีสติอยู่กับความคิดคิดเพื่อไม่ให้มันบานปลายคิดให้เท่าให้เท่าที่จำเป็นจะต้องคิดถ้าไม่มีสติอยู่ความคิดเดี๋ยวมันจะบานปลายคิดเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะไปต่อเรื่องนั้นแล้วก็จะไปต่อไปเรื่อยๆบางคนคิดถึงเวลานอนแล้ว ก, ก็นอนไม่หลับนอนเวลานอนก็ยังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะของการไม่มีสติคอย คอยควบคุมความคิดให้คิดเท่าที่จำเป็นที่จำเป็นจะต้องคิดแล้วก็ให้หยุดคิดถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดพอคิดเรื่องจำเป็นเสร็จเราก็กลับมาทำอะไรตามหน้าที่ของเราต่อไปถ้ายังกำลังรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารต่อไปถ้าทำความสะอาดก็ทำความสะอาดต่อไปหรือถ้าเดินจงกรม ก็เดินจงกรมต่อไปอย่าเดินไปแล้วก็คิดไปด้วย mm hmm. เวลาเดินจงกรมที่เป็นแบบที่มีกรรมฐานนี้ต้องไม่มีเรื่องของความคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ mm hmm. เดินจงกรมนี้ก็สามารถใช้คำบริกรรมพุทโธไปกับการเดินก็ได้ mm hmm. หรือจะใช้การดูการก้าวเท้าก็ได้ เช่นเวลาก้าวเท้าซ้ายก็รู้ว่ากําลังก้าวเท้าซ้ายเวลาก้าวเท้าขวาก็รู้ว่ากําลังก้าวเท้าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปให้รู้เฉยๆไม่ต้องไม่ต้องพูดคําว่าซ้ายหรือขวาก็ได้หรือถ้าใหม่ๆยังยังไม่สามารถดูเฉยๆได้ก็ต้องใช้คําว่าซ้ายขวาไปก็ได้นึกว่าเดินไปแล้วก็พุทธโทไปก้าวก้าวทีนึงก็พุทโททีหนึ่ง อีงทีหนึงก็พูดโธยอีกทีนึงก็ได้อนี่คือการการปฏิบัติที่มีกรรมฐานถ้าทําอย่างนี้แล้วใจจะไม่คิดมากแต่ยังไม่สงบนคือจะไม่นิ่งคือคิดน้อยลงแตเรียกว่าสงบเริ่มสงบลงบ้างก็ได้ใจเริ่มว่างขึ้นความคิดน้อยลงความสงบก็เลยเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ถือว่าสงบแบบเต็มร้อยะ อย่างที่จะทำให้ใจสงบนิ่งแบบเต็มร้อยนี้ต้องอยู่ในท่านั่งหรือท่ายืนก็ได้คือจะร่างกายต้องไม่เคลื่อนไหวร่างกายต้องอยู่นิ่งๆเพราะว่าเวลาที่ร่างกายเคลื่อนไหวนี้แสดงว่าใจยังต้องทำงานอยู่เพราะใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายจะเดินจะทำอะไรนี้ต้องรอให้ใจเป็นคนสั่งก่อน เป็นดาบนี้ญาติโยงนั่งอยู่ตรงนี้ร่างกายมนุษย์ขึ้นมาเองไม่ได้มันต้องรอให้โยมไปสั่งก่อนว่า อ, อ, อยากจะลุกแล้วนั่งมานานนั่งเมื่อยรื อ, อยากจะไปเข้าห้องน้ำก็จะสั่งออลุกขึ้นไปเดินไปทำนู่นทำนี่ถ้าใจไม่มีคำสั่งมานี้ร่่งกายมันไม่เคลื่อนไหวถ้าร่างกายเคลื่อนไหวก็สแสดงว่าใจกําลังทำงานใจกาลังสั่งให้ร่างกายทาอะไรต่าง ถ้ามีการเคลื่อนไหวใจก็จะทำงานเมื่อใจทำงานโอกาสที่ใจจะรวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธินี้ก็เป็นใจได้ยากยกเว้นในกรณีที่ที่พิเศษเช่นมีประวัติของหลวงปู่รูปหนึ่งท่านชอบเดินจงกรมในป่าตอนกลางคืนท่านจะมีตะเกียงทำด้วยผ้า แล้วก็ใช้เทียนท่านก็จะถือตะเกียงผ้านี้ที่มีเทียนอยู่ข้างในเดินไปในป่าเพราะท่านบอกว่าเดินไปในป่านี้มันตอนคืนนี้มันต้องใช้สติมากอย่าทำให้ไม่พังไม่เผลอท่านบอกว่าคืนหนึ่งท่านเดินไปเจ้าเอกับเสือโครง่งพอเห็นเสือโครง่งปั๊บนี่ใจมันตกเข้าไปในภวังเลยความตกใจกลัว แต่มันไม่ตลิดเปิดเปิงเพราะท่านเดินด้วยสติท่านมนีสติคอยควบคุมใจใจก็เลยรวมเข้าไปในสมาธิในขณะที่ไปเดินจะเอเจอเสือเข้าท่านบอกว่าท่านยืนอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งตอนที่ท่านถอนออกจากสมาธิมาท่านก็ยังยืนอยู่ในท่าเดิมอยู่ท่าในในขณะที่ที่จิตรวมท่านก็ยืนอยู่ตรงนั้นถือตะเกียงอยู่ แต่ตะเกียงดังนั้นเทียนในตะเกียงมันไหม้หมดแล้วถ้าว่าจิตมันรวมเป็นเวลานานพอสมควรอันนี้จะทำให้จิตรวมด้วยบางทีมันจะต้องไปเจอเหตุการณ์ที่ที่สร้างความวิตกสร้างความหวาดกลัวจนทําให้จิตนี้จะต้องหลบเข้าสู่ผวังหรือว่าถ้าไม่มีสติก็จะทําให้จิตนี้ก็จะก็จะ ไปเลยเตลิดเปิดเปิงไปเลยก็ได้คนที่ไม่มีสติถ้าเจอเสือนี่รับประกันคงจะไม่ยืนเฉยเฉยคงจะวิ่งตะลดิดเปิดเปิงไปแต่คนที่มีสตินี่ก็จะยืนเฉยเฉยจิตก็รวมเข้าไปเสือก็มันก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่ยืนอยู่นั้นเป็นอะไรมันก็ไม่มันก็ไม่ทําร้ายมันก็ไปมันก็อาจจะคิดว่าเป็นต้นไม้ต้นเสายืนอยู่เฉยเฉย อันนี้เป็นกรณีพิเศษในการที่จะทำให้จิตรวมได้ต้องมีเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญจริงๆทำให้จิตต้องเข้าหลบเข้าสู่ความสงบถ้ามีสติมันก็จะเข้าสู่ความสงบถ้าไม่มีสติมันก็จะไปแบบหวาดกลัวตื่นตระหนกซึ่งก็มีเหตุการณ์จากกับพ้าอีกรูปหนึ่งที่เล่ากันมา ว่าท่านก็อยากจะไปพิสูจน์ว่าท่านกลัวเสือหรือไม่ก็ออได้ยินว่าแถบป่าใกล้ๆหมู่บ้านนั้นมีเสืออยู่ก็ เ, ออเลยไปให้ชาวบ้านพาไปไปตั้งแค่ไปปรากฏเพื่อจะได้ไปเจอกับเสื อ, อ, อชาวบ้านก็บอกมีจริงๆนะเสือเสือดุจริงๆนะออท่านอย่าไปเลยนะ ต่ท่านก็บอกว่าท่านมาเพื่อที่จะมาทดสอบจิตใจของท่านว่ามีสติมีกำลังที่จะหยุดความกลัวได้หรือไม่ชาวบ้านก็เลยพาไปให้พาไปหาที่ให้ท่านปักกดภาวนาแล้วท่านก็อยู่ตามกำแพงของท่านเพียงองค์เดียวพอตกอยางค่ำคืนก็เริ่มได้ยินเสียงคำรามขึ้นมาตอนต้นก็คำรามอยู่ไกลๆใจก็ยังรู้สึกเฉยๆอยู่ แต่พอเริ่มคำลามเข้ามาใกล้เครื่องใกล้เข้ า, ใ, ขาใจเริ่มสั่นขึ้นมาแล้สิใจเริ่มเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาจนถึงขีดหนึ่งก็ทนไม่ได้วิ่งตะลอดเปิดเปิงหนีเข้าไปหมู่บ้านขณะไปถึงหมู่บ้านก็ยังไม่มีสติพูดจาอะไรก็พูดไม่ออกพูดแบบพูดแบบเสือเสือเสือเสืออย่างนี้ อันนี้ก็เป็นเพราะว่ายังไม่มีสติพอที่จะกากับคอยควบคุมใจให้ตั้งอยู่ในความสงบได้สติยังมีกาลังไม่พอผู้ที่จะไปอยู่ในป่าจริงๆไปเจอเผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวจริงๆนี้ต้องมีความมั่นใจว่าจิตเคยรวมมาแล้วสามารถทำจิตให้รวมได้ถ้ายังไม่มีนี่ถ้าไปนี่ เวลาเจอเหตุการณ์น่ากลัวนี่มันจะไม่รวมมันจะเตลิดเปิดเปิงอันนี้ก็เกิดเรื่องของการปฏิบัติเพื่อทำจิตให้รวมเป็นสมาธินี่ปัจจัยสำคัญก็คือต้องมีกรรมฐานมีสติอยู่ทั้งตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ใช่มีสติเฉพาะช่วงที่มานั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวหรือเดินจงกรมเพียงอย่างเดียว คนที่จะมีสติกำกับการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาเลยเพื่อคอยตัดคอยลดความคิดปุงแตงต่างๆให้มันน้อยลงเพื่อให้ใจมีสติอยู่ในปัจจุบันอยู่กับความนิ่งเพราะจิตจะรวมลงต้องรวมในขณะที่จิตอยู่ในปัจจุบันถ้าไปอดีตไปอนาคตนี้ก็จะรวมเป็นสมาธิไม่ได้ ต้องมีสติคอยดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันเหมือนกับเวลาที่เร า, าจะเอาร้อยร้อยร้อยได้เข้าไปในรูเข็มเนี่มือต้องนิ่งแล้วเวลาเวลาร้อยได้เข้าไปนี่ต้องเข้าไปตรงรูเข็มถ้าไปทางซ้ายก็เข้าไม่ได้ถ้าไปทางขวาก็เข้าไม่ได้ต้องไปตรงกลางตรงกลางนี่ก็เหมือนกับจิตเนี่ยคือคือปัจจุบัน การที่จะทำให้จิตเข้าสู่สมาธิได้ต้องอยู่ในปัจจุบันถ้าไปอดีตก็ไปทางซ้ายถ้าไปอนาคตก็ไปทางขวาใจก็จะไม่มีวันที่จะรวมเป็นสมาธิได้ใจต้องอยู่ในปัจจุบันคือไม่คิดเพียงแต่รู้เฉยๆเช่นดูลมก็ดูลมเฉยๆเพียงอย่างเดียวหรือถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวหรืออยู่กับลมหายใจอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตใจก็จะอยู่ในปัจป จ, จุบันแล้วถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องความคิดต่างๆมันก็จะหยุดคิดในที่สุดพอมันหยุดคิดใจก็ดิ่งรวมเข้าสู่ความสงบ <c oughs> นี่คือการใช้อนุสติต่างๆในการเจริญ ในการเจริญส ม, มะถะภาวนาหรือการทำใจให้สงบทำใจให้มีสมาธิจา<ม>เป็นจะต้องมีกรรมฐาน<ม>กรรมฐานที่นิยมใช้กันที่ในวงปฏิบัติก็เช่นพุทธานุสติหรือบางแห่งถ้ายังสติยังมีน้อยก็สอนให้ผู้ปฏิบัติสวดมนต์ก่อนเช่นทำวัดชา้าวัดเย็นไหว้พระสวนมนต สวดบทอิติปิโสถ้าจะสวดแบบนั่งปฏิบัติก็สวดในใจก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องออกเสียงถ้าอยู่คนเดียวแล้วสวดมนนี้หรือถ้ายัางสวดในใจไม่ได้ก็สวดสวดออกเสียงไปก่อนแต่สามารถทําควบคู่ไปกับการทําสมาเป็นเหมือนการทําสมาธิด้วยการนั่งขัดสมาดหลับตาแล้วก็สวดไปเลยเพื่อจะได้ทําต่อเนื่องไป พอหลังจากสวดไปแล้วใจเริ่มรู้สึกเย็นสบายก็ลองมาดูลมหายใจต่อได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถถือว่าการสวดมวนต์ก็เป็นการภาวนาไปควบคู่ไปกันต่อเนื่องกันได้ถ้าเริ่มต้นนั่งแล้วใจคิดฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้<อ>ก็สวดมวนต์ไปจะเลือกสวดบทไหนก็ได้ แต่ถ้ามันสั้นก็ต้องสวดหลายๆรอบสวดไปเรื่อยๆถ้าชอบสวดสวดสวดบทยาวๆเช่นบทธรรมจักนธรรมจักกับปวัตนสูตรเนี่ยก็สวดไปก่อนจะจบก็เป็นหลายสิบนาทีด้วยกั น, นถ้าสวดอย่างต่อเนื่องใจไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเบาลงความคิดก็จะน้อยลงพอสวดเสร็จก็อาจจะดูลมหายใจต่อได้ หรือถ้าชอบใช้คำบริกรรมพุทโธก็พุทโธคำเดียวไปก็ได้แล้วอย่างนี้จิตก็จะมีโอกาสรวมเป็นสมาธิได้แต่ถ้ายังไม่รวมก็อาจจะเป็นเพราะว่าสติยังมีกำลังน้อยช่วงเวลาที่ยังไม่ได้นั่งนี้ควรจะเจริญสติด้วยเพิ่มขึ้นมาควรจะเจริญสติให้ตลอดเวลาให้ได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย ถือว่าเป็นการทาหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์คือการเจริญสติการทางานในการใช้กรรมฐานเป็นการทำงานทางจิตภาวนาต้อง ม, มีกรรมฐานกํากลับใจตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยแล้วก็ต้องเป็นแบบอนุสติจะดีกว่าที่จะไปใช้แบบวิปัสสนาเพราะวิปัสสนานี้ก็ยังต้องใช้ความคิดอยู่ แต่ก็ไม่แน่ถ้าสนหรับบางคนใช้วิวปัสสนาก็สามารถทำให้เป็นทำใจให้สงบได้เหมือนกันแต่ถ้าง่ายกว่าก็คือการใช้อนุสติเช่นใช้การนัาลึกถึงพุโทโธใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วก็จะทำให้ใจไม่คิดเวลาคิดก็อย่าตามคิดเวลาเริ่มต้นใหม่ๆมันก็ยังคิดอยู่ของมัน แต่เราแยกตัวเราออกจากความคิดนั้นอย่าไปตามความคิดเมื่อก่อนนี้เรากับความคิดมันจะเป็นเหมือนทึกคนเดียวกันเราก็จะไปคิดว่าเราเป็นคนคิดคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้แต่ความจริงแล้วเราเป็นผู้รู้ความคิดก็เป็นอีกอีกคนหนึ่งแต่เรากับความคิดเราไม่ค้นรู้จักแยกกันออกจากกันเราก็เลยจะคิดว่าเราเป็นเราเป็นความคิดด้วยความคิดเป็นเราเราเป็นความคิดเรารู้ความคิด แต่ความทริงการผู้รู้กับความคิดนี้มันเป็นคนละคนกันเราหนึงผู้รู้ออกจากความคิดความคิดมันอยากจะคิดก็ปล่อยมันคิดไปเพราะเราอยั่งห้ามมันไม่ได้มันเป็นเหมือนรถยนต์ที่ยังวิ่งอยู่ยังไม่มีเบรกมันก็จะวิ่งไปเหมือนรถรถยนต์ที่วิ่งลงเขานี้มันก็จะวิ่งของบันไปเรื่อยๆแต่เราแยากแยกใจเราออกจากความคิดให้มาอยู่กับพุทโธพุทโธ ให้มาอยู่กับลมหายใจหรือให้มาอยู่กับการเคลื่อนไหวเวลาที่เรามีการเคลื่อนไหวอย่าดูลมหายใจเพราะมันยากมันละเอียดสูว ด, ดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายดูการกระทำของร่างกายดีกว่าเพราะว่าเราทำอะไรเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่ไปอยู่กับพุทโธอย่างเดียวโดวยที่ไม่รู้ว่าเรากาลังทาอะไรเดี๋ยวเราก็ทาผิดทาถูกได้เช่นเวลาขับรถเนี่ย อย่าไปอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวจนดู ว, ว่าเรากําลังขับรถอยู่เราต้องดูการขับรถด้วยเดี๋ยวรถแซงหน้ารถปาดหน้าหรือรถสวนทางมาผิดทางเราจะได้หลบทางได้ถ้าเราไม่มีสติอยู่กับการขับรถก็ อ, อยู่กับพุโทโธพุธโทโธหรือปดปดธรรมะฟั ง, ฟ, งฟังเสียงธรรมไปแล้วอยู่กับเสียงธรรมต้องอยู่กับการขับรถเป็นหลักเวลาร่างกายเคลื่อนไหวนี้ต้องมีสติอยู่การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลัก แล้วก็มีพุทโธเพื่อให้เป็นเครื่องคอยดึงใจให้อยู่กับการขับรถไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ <c oughs> นี่คือการเจริญสติเพิ่มสติให้มากขึ้นที่นั่งนั่งสมาธิแล้วจิตมันยังไม่รวมเพราะว่าสติมันไม่ต่อเนื่องอาจจะอยู่กับพุทโธได้แป๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวก็วิบไปตามความรู้และตามความคิดนะแล้วเดี๋ยวก็กลับมาใหม่กลับมาอยู่กับพุทโธใหม่แป๊บหนึ่ง <c oughs> ออกไปอีกแล้ว ถ้ายังมีการไปอย่างนี้อยู่เนี่ยมันยังจะรวมไม่ได้มันต้องแบบไม่ไปเลยต้องเป็นสติแบบสัมปะชัญญะตัวสติต่อเนื่องเรียกว่าสติสัมปะชัญญะไม่ขาดตอนไม่เผลอไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่เราพุโทโธพุโทโธหรือในขณะที่เราดูลมหายใจเข้าออกให้อยู่กับกรรมฐานที่เราใช้อยู่เพียงอย่างเดียว ต้องพยายามฝึกให้มากๆสตินี้เป็นธรรมที่สําคัญอย่างยิ่งเหมือนกับการเรียนหนังสือการที่ก่อนที่เราจะอ่านออกเขียนได้เราต้องท่องกอไก่ขอไข่ให้ได้กันต้องรู้ว่าอักษรตัวนี้ออกเสียงว่าอย่างไรคอไก่ขอไข่ขอควายคอคนคอะคระฆังไปถึงพอน้คู่ต้องรู้ว่ามันมันมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไง แล้วมันออกเสียงอย่างไรแล้วก็มาหัดสะกดหัดสะกดผสมตัวอักษรกอสระอาอ่านว่ากะตอสระอาอ่านว่ากาต้องไปเรียนเป็นตามขั้นตอนไปข้ามขั้นไม่ได้การเรียนหนังสือข้ามขั้นไม่ได้เหมือนกันกับการปฏิบัติก็ข้ามขั้นไม่ได้การปฏิบัติขั้นแรกกอไก่ขอไข่ของการปฏิบัติก็คือการเจริญสตินี่ ด้วยกรรมฐานองใดองหนึ่งแบบใดแบบหนึ่งจะเป็นพุทธานุสติก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปจะเป็นกายะกตาสติก็คอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายไปต้องฝึกสติให้ได้ก่อนแล้วเวลานั่งสมาธิจิตมันถึงจะรวมเป็นสมาธิได้สตินี้พทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่สำคัญที่สุดสาคัญยิ่งกว่าปัญญาสาคัญยิ่งกว่าสมาธิสาคัญยิ่งกว่าวิมุตติหลุดพน้นเพราะสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติการหลุดพ้นก็ดีจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสติเป็นผู้นำสติเป็นเหมือนหัวหน้าผู้นำทางให้สมาธิตามมาให้ปัญญาตามมาให้วิมุตติตามมาได้ การปฏิบัติต้องใช้เน้นให้ความสําคัญกับสติก่อนไม่ต้องไปกังวลเรื่องปัญญาคจริงปัญญานี้เราก็รู้กันมากอยู่แล้วเราฟังเทศฟังธรรมกันมาเป็นเวลาอันยาวนานเรารู้แล้วว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอะไรเรารู้ว่าอริยสัจสีเป็นอะไรเรารู้ว่าอาการสามสิบสองมีอะไรบ้างซากศพอสุภะมีอะไรบ้างปัญญาเหล่านี้เรารู้แล้วแต่มันยังไม่สามารถ เอามาทําใจให้ดูดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะมันไม่มีกลัำใจมันไม่มีกําลังมันไม่มีสมาธิไม่มีอุบเบกขาและในการที่ใจไม่มีสมาธิไม่มีอุบเบกขาก็เ พ, าเพราะไม่มีสตินั่นเองยังเป็นจะต้องเจริญสติก่อนสร้างสติขึ้นมาสตินี้พระพุทธเจ้าทรงเปรียบว่าเป็นเหมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่จะเป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดใน สำหรับของสัตว์ทั้งหลายในป่านี้ไม่มีสัตว์ไหนที่จะใหญ่เท่ากับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี้สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้ธรรมะคือสตินี้ก็เป็นธรรมะที่สำคัญที่ยิ่งใหญ่กว่าธรรมะอย่างอื่นเพราะธรรมะอย่างอื่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสตินั่นเองดนเวลาที่เราเริ่มต้นฝึกสตินี้ อย่าไปกังวลกับเรื่องอย่างอื่นอย่าไปกังวลเรื่องปัญญาอย่าไปคิดทางปัญญายกเว้นว่าถ้ามันเป็นกรณีที่จําเป็นที่มันทําให้ที่จะทําให้เราใช้มันมาเพื่อระงับใจไม่ให้ฟุ้งซ่านได้เช่นเวลาเราเกิดความโกรธขึ้นมาเราจะต้องใช้ความเมตตามาระงับมันเพราะถ้าเราใช้สติพุทธโธพุทธโธมันอาจจะไม่อยู่เอาไม่อยู่ ยังโกรธยังแค้นยังเครืองอยู่แล้วก็มาใช้ปวดแผ่เมตตาสเปสตาอเวราโหนตุกรรมย่อมระงับกรรมกรรมไม่ระงรับเวรไม่ระงรับด้วยการจองเวรเวรย่อมระงรับด้วยการไม่จองเวรพอเราไม่จองเวรเราให้อภัยยกโทษกไม่โกรธเครืองเขาปับ๊บใจเราก็เย็นขึ้นมาทันทีใจเราก็กลับมาสู่สัทธาปกติ อันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมาทางใจอย่างที่การที่ได้พูดไว้ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายของไทยก็ดีของคนที่เรารักหรือของตัวเราเองก็ดี<ม>ก็ให้คิดถึงมรณนาณนสติคนทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเกิดมาแล้วร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปคิดไปเรื่อยๆคิดไปจนกว่าใจจะยอมรับความจริงได้ว่าไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงความจริงได้ถ้าถึงเวลาที่เขาจะต้องตายไม่มีใครมาห้ามได้ถ้ายังไม่ถึงเวลาเขาตายเดี๋ยวเขาก็หายได้ถ้าเขาเป็นโรคภัยใข้เจ็บอะไรต่างๆแต่เราความกังวลของเรานี้ไม่มีส่วนที่จะไปทํให้เาให้เขาไม่ตายหรือให้เขาตายได้ แต่มันจะทําให้เราเครียดทําให้เราทุกข์จะทาให้เราไม่สามารถภาวนาทําใจให้สงบได้ mm hmm. เราก็ต้องใช้มอนานุสติขึ้นมาเวลาเกิดความวิตกกังวลห่วงใหยเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายของใครก็ตาม mm hmm. ให้จเจริญ ม, มอนานุสติเพื่อมาระงรับความฟุง้งซ่านระงับความเครียด mm hmm. เพื่อให้จิตกลับมาเป็นปกติ mm hmm. เพื่อที่จะได้มาจเจริญสติต่อได้ mm hmm. หรือถ้ามีการอารมณ์อยากจะร่วมเพศกับคนนั้นคนนี้ก็ให้ระลึกถึงอสุภะให้ระลึกถึงอาการสามสิบสองของคนที่เราอยากจะไปร่วมเพศด้วยเรเห็นตับไตไส้พุงเห็นปอดเห็นไตเห็นโครงกระดูกว่าเรากําลังจะไปหลับนอนกับโครงกระดูกเราก็เอาโครงกระดูกของเราไปหลับนอนกับเขาน่านกายของเราก็มีอาการสามสิบสองพอมองไปทั้งเขาทั้งดาวมันก็อดทําไม่ได้ขึ้นมาว่าเราเป็นบ้าหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อนำนับความทุ่งสร้างที่เรีวยกว่าปัญญาอบรมสมาธิเวลาที่เราไม่สามารถใช้อนุสติเช่นคําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือการเคลื่อนไหวดูการเคลื่อนไหวกายากตาสติของร่างกายมันไม่สามารถดับความโกรธแค้นอาฆาตปยาบา ได้และไม่สามารถระงับความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายได้ไม่สามารถที่จะระงับความอยากจะร่วมเพศกรมกรมา ร, ราคะได้อันนี้ก็ต้องมียามาแก่ยามาแก้ก็คือเนี่ยกรรมฐานที่เราใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเหมนกับเวลาที่ร่างกายเราไม่สบายถ้าปวดศรีรษะเราก็ต้องเอายาแก้ปวดศรีรษะมากิน เอายาแก้ปวดเท้ามากินมันอาจจะไม่หายเพราะมันเป็นยาคนละชนิดกันเอายาแก้ปวดเท้ามากินมันก็จะไม่หายเวลาปวดเท้องก็ต้องเอายาแก้ปวดเท้าไม่ใช่เอายาแก้ปวดหัวมากินอันนี้ก็เหมือนกันเวลาใจเราเครียดใจเราไม่เป็นปกติใจเราฟุ้งซ่านใจเราวุ่นวายใจตอนนั้นเราก็ต้องใช้ยากรรมฐานก็คือธรรมโอสถนี่ยาของธรรม ยาที่เป็นเป็นยาธรรมะที่เป็นยาก็คือกรรมฐานชนิดต่างๆถ้าวิตกกังวลก็ใช้มรนานุสติถ้าเกิดความเกลียดอาฆาตพยาบาทก็ใช้เมตตาให้อภัยถ้าเกิดมีความวิตกกังวลส่งใ ย, ยเกี่ยวกับเรื่องความเป็นทางตายก็ใช้มรนานุสติไปอันนี้คือวิธี การใช้กรรมฐานในกรณีฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเหตุเฉพาะหน้าขึ้นมาเกิดปัญหาขึ้นมาที่เราไม่สามารถใช้กรรมฐานที่เราใช้อยู่ตามปกติได้เช่นเราใช้การดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วใจก็ไปโกรธคนนั้นโกรธคนนี้มันไม่ดับหรอกมันต้องใช้การให้อภัยต้องเห็นเห็นว่าความโกรธนี้เป็นเหมือนไฟที่กาลังเผาใจเราอยู่ แล้วการที่จะดับความโกรธ ด, ดับไฟที่เผาใจก็ต้องเอาน้ำธรรมะทางน้ำธรรมะในที่นี้ก็คือการให้อภัยเอาเวลาหุนตุไม่เชื่อลองทำดูสิเวลาเราโกรธใครแล้วว่ า, าไม่เอาโทษเขาดีกว่าปล่อยเขาไปเหตุการณ์มันก็ผ่านไปแล้วจะไปอาฆาตพยาบาทมันก็ไปสร้างเวรสร้างกรรมกันขึ้นมาใหม่เราไปทาเขาเดี๋ยวก็กลับมาทาเราอีกเรื่องมันก็จะไม่จบ แต่ถ้าเขาทำเราแล้ ว, ลวเราก็ยอมหยุดเย็นยอมแพ้ให้อภัยหยุดจองเวรจองกรรมใจเราก็จะเย็นลงทันที น, น, นี่ก็เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาในกรณีที่ฉุกเฉินที่จะเป็นที่จะต้องมาแก้ปัญหาที่ฉุกเฉินแต่ถ้าไม่มีปัญหาฉุกเฉินเราก็ใช้สติตามปกติของเราคือคอยคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิด ถึงเรื่องราวต่างๆด้วยการควบคุมให้อยู่กับคําบริการพุทโธพุทโธหรือให้อยู่กับอยู่กับการกระทําของร่างกายเพราะเร่างร่างกายของเรานี้มีการกระทําตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้ร่างกายเดี๋ยวก็ไปทํานู่นเดี๋ยวก็ไปทํานี่เราก็ดึงใจผูกติดไว้กับร่างกายแล้วใจเราจะได้ไม่ลอยไปกับอดีตไม่ลอยไปกับอนาคตไม่ลอยไปกับความคิดต่างๆ แล้วพอเวลาเรามานั่งสมาธิสติมันก็จะต่อเนื่องพุทโธก็จะต่อเนื่องแล้วการดูลมหายใจก็จะต่อเนื่องถ้ามีการสติมีการต่อเนื่องนี้ท่านบอกว่าเพียงห้านาทีจิตก็รวมเป็นสมาธิได้จิตก็นิ่งสงบได้และเวลาจิตนิ่งสงบก็ไม่ให้ทำอะไรพยายามรักษาความนิ่งความสงบไปนานๆเพราะการเข้าสมาธินี้เหมือนกับเป็นการ สร้างความเย็นให้กับใจใจเราเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธินี่มันจะร้อนด้วยอารมณ์ต่างๆร้อนด้วยอารมณ์โลภโกรดหลงแต่เวลาเราเข้าสมาธินี้อารมณ์โลภโกรดหลงนี้มันจะนังับไปชั่วข่าวเหมือนกับเวลาที่เราต้องการดื่มน้ำเย็นเนี่ยเราก็ต้องเอาน้ำเข้าตู้เย็นเวลาเข้าไปใหม่ๆเร า, เร า, เรายัางไม่จะเรายัางไม่เอามันออกมาดื่มเพราะมันยังไม่เย็น เราต้องแช่ไว้ น, นานๆบางทีอาจจะต้องแช่เป็นชั่วโมงถึงจะเย็นแล้วพอเวลาที่เราอยากจะดื่มน้ําเย็นๆเราก็เปิดตู้เอาน้ําที่แช่อยู่ในตู้เย็นออกมาดื่มได้แล้วถ้ายังมีเหลืออยู่เราก็เอากลับเข้าไปในตู้เย็นใหม่เพราะถ้าเราปล่อยไว้ข้างนอกเดี๋ยวมันก็หายเย็นถ้าเราอยากจะดื่มน้ําเย็นอยู่เรื่อยๆพอเราดื่มน้ําเย็นที่เราเอามาจากตู้เสร็จเราก็ถ้ายังมีเหลือเราก็เอากลับเข้าตู้ไปเพื่อรักษาความเย็นต่อไป การปฏิบัติสมาธิคือการทําใจให้เย็นทําใจให้สงบทําใจให้มีความสุขทําใจให้นิ่งให้มีอุเบกขาให้วางเฉยให้ได้ต้องอาศัยการอยู่ในสมาธินานๆไม่ใช่อยู่แป๊บเดียวแล้วก็ออกไปพิจารณาทางปัญญาเลยอยันนี้ก็ไม่ต้องไปนั่งสมาธิให้มันเหนื่อยก็ปะอยากจะพิจารณาปัญญาก็พิจารณาได้ในขณะที่เราไม่อยู่ในสมาธิอยู่แล้ว เพงแต่ว่าปัญญาที่ไม่มีสมาธินี้มันไม่สามารถเอาไปสู้กับกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงต่างๆได้เท่านั้นมันต้องมีใจที่เป็นเป็นสมาธิใจที่นิ่งสง บ, บใจที่เย็นใจที่มีอุบเบกขาถึงจะสามารถที่จะไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาเวลาที่ปัญญาพิจารณาเห็นว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากความโลภความโกรธความหลง ก็หยุดความโลภความโกรธความหลงด้วยใจที่สงบเย็นได้แต่ถ้าใจไม่สงบไม่เย็นนี่หยุดไม่ได้ดังนั้นเราขั้นต้นนี้เราต้องฝึกสมาธิทําใจให้เย็นให้มากๆเวลาอยู่ในสมาธิก็ปล่อยให้มันนิ่งนานๆให้มันเย็นนานๆจนกว่ามันจะสติอ่อนกําลังลงแล้วกิเลสความอยากที่จะไปหาลูกเสียงกิดรสคอยผลักให้ออกมา ถ้าอยากจะนั่งต่อก็ต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่ต้องบริกรรมพุทธโธพุทธโธใหม่ต้องดูลมหายใจใหม่ถ้าเราอยากจะนั่งต่อไปเราก็ต้องทําอย่างนี้ต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่ถ้าเราสร้างไม่ไหวสู้ไม่ไหวถ้าออกมาแล้วเราก็มาสร้างสติด้วยการเดินจงกรมก็ได้หรือเวลาเราทําอะไรก็ให้มีการบริกรรมพุทธโธพุทธโธต่อไปก็ได้อันนี้เพื่อเป็นการ สร้างสติขึ้นมาใหม่แล้วก็เพื่อเป็นการรักษาใจไม่ให้ร้อนไม่ให้วุ่นวายถ้าปล่อยให้ไม่มีไม่มีสติอะไรพอออกจากสมาธิแล้วปล่อยให้คิดปล่อยให้าลมต่างๆเกิดขึ้นมาเดี๋ยวใจก็ร้อนขึ้นมาได้เดี๋ยวใจก็จะโกรธขึ้นมาได้งั้น mm. ในเบื้องต้นนี้ของการปฏิบัตินี้ต้องพยายามฝึกสติฝึกสมาธิให้มากๆจนสามารถที่จะควบคุมใจ ให้นิ่งให้สงบให้เย็นได้ตลอดเวลาทั้งในขณะที่เข้าไปในสมาธิและหลังจากออกจากสมาธิมาก็ต้องพยายามรักษาความเย็นความนิ่งให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนกว่าจะรู้สึกว่าใจเริ่มฟุ้งแล้วก็ต้องกลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ต้องฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนอย่าไม่ต้องรีบร้อนไปทางปัญญาปัญญานี้ต้องรอให้มีสมาธิที่สมบูรณ์ที่พร้อม ที่จะเอาไปใช้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ยังไม่ต้องกังวลเวลาจิตสงบนิ่งแล้วถามอย่าไปพิจารณากายอย่าไปพิจารณาอะไรยังไม่ใช่เป็นเวลาพิจารณาการนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งให้นานที่สุดให้มีโอเบามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าอยากจะพิจารณาปัญญานี่ทำได้ตอนที่เราออกจากสมาธิมาแล้ว เช่นเราออมาจากสมาธิแล้วก็มีเรื่องสร้างความเครียดให้กับเราเราก็ใช้ปัญญามาพิจารณาได้เช่นออกมาก็มาเจอคนมาด่าเรามาพูดว่าเราตำหนติตีเตียนเราว่าเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เราก็พิจารณาว่าเสียงคนที่เขาด่าเรามันก็เป็นเสียงเสียงพระเจ้าเขาบอกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนาตาัตตรูปเสียงกิดลดพดถภะเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงมีทั้งเสียงดีและเสียงไม่ดี บางทีก็มีเสียงชมบางทีก็มีเสียงด่าเหมือนกับเสียงที่เราได้ยินทางธรรมชาติบางทีก็มีเสียงฝ้าร้องเสียงฝ้าป่าบางทีก็ได้ยินเสียงลมพัดเสียงนกเสียงอะไรมันก็เป็นเสียงของธรรมชาติที่เราไม่สามารถไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เราไม่สามารถไปสั่งให้เสียงไปมีแต่เสียงชมอย่างเดียวเสียงด่าไม่มีไม่ได้เพราะมันเป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติ เป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาด่าไปเท่านั้นเองแล้วก็ฟังไปไม่เห็นจะเดือนร้อนตรงไหนแค่นี้ทำถ้าเรามีสมาธิออกจากสมาธิมาแล้วเราใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปอยากให้มันไม่อย่าไปอยากให้เขาชมความความอยากให้เขาชมเราหรือความอยากให้เขาไม่ด่าเรานี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์ทำให้เราเครียด พอเรารู้ว่าสาเหตุเกิดจากความอยากของเราเองเราก็หยุดความอยากของเราด้วยสมาธิเองปัญญาบอกว่าอยากไปอยากไปบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเขาเป็นอนิจจังบางทีเขาก็ชมเราบางทีเขาก็ด่าเรา <S <S เราไปสั่งเขาไม่ได้ควบคุมบังคับเขาไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือหยุดความอยากของเราได้ <S <S เราก็มาหยุดความอยากทาใจเฉยๆมันอยากจะดา่าก็ปล่อยมันด่าไปมไม่ชมก็ <S <S <S เรื่องของมัน เราก็ไม่ได้ตายไปกับคําด่าหรือคาชมของมันอยู่ดีคิดอย่างนี้แล้วใจเราก็นิ่งสงบได้อันนี้คือการใช้ปัญญาเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วมาเจอเหตุการณ์ที่สะเทินใจตอนนั้นก็ถ้าใช้ปัญญาเป็นก็ใช้ได้ถ้าใช้ไม่เป็นก็ต้องไปซ้อมไปฝึกไว้ก่อนว่าทํายังไงเวลาเจอเสียงคนด่าแล้วเราจะทํำยังไงดีทํางานให้ใจเราเฉยจําใจให้เรานิ่งให้ได้ ก็ต้องพิจารณาปลายรักของเสียงนั่นเองว่าเสียงเป็นของที่ไม่แน่นอนบางทีก็มีเสียงดีบางทีก็มีเสียงไม่ดีอนัตตาก็คือมันเป็นธรรมชาติมันไม่มีใครเป็นผู้ไปควบคุมบังคับมันได้ไปสั่งมันได้ให้มันพูดเสียงดีหรือพูดเสียงไม่ดี<ม>พอรู้ว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนเรื่องของฟ้าร้องเรื่อ ง, องเสียงลมพัดเราก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติ เราก็อย่าไปหยาดใจเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เครยียดกับเรามักจะไม่เครยียดกับเสียงของธรรมชาติใช่ไหมเป็นตอนนี้นกร้องเราก็ปล่อยมันร้องไปแต่ถ้าใครมานั่งร้องตรงนี้ ine, เราก็จะเครยียดขึ้นมาทันทีเพราะเราไปคิดว่าเขาไม่ได้เป็นธรรมชาติแต่คนจริงเขาก็เป็นธรรมชาติแต่เราไม่มองเขาว่าเป็นธรรมชาติเท่านี้เราไปมองว่าเขาเป็นคนที่ต้องรู้จักระงับความเสียงร้องของเขาได้แต่บางทีเขาก็ระงับเสียงร้องของเขาไม่ได้เขาไม่มีสติ เขาคงมมีสติเขาเป็นบ้าขึ้นมาเขาก็ร้องโวยวขึ้นมาอันนี้ต้องพิจารณาเสียงว่ามันเป็นอนิจจังอนัตตาที่เราไปทุกข์ก็เพราะเราไปอยากให้มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้แต่บางทีเราควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความอยากของเราไม่ได้เราก็หยุดความอยากของเราก็ปล่อยเสียงมันร้องไปเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดของมันเองอันนี้ก็คือการใช้ปัญญาเวลาที่ออกจากสมาธิมา หรือถ้าถ้าอยากจะใช้ปัญญาเพื่อทําการบ้านไว้ก่อนก็ได้เ mm. ช่นต้องเตรียมตัวว่าต่อไปวันข้างหน้าเราจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยดาจะต้องไปเจอโรคมะเร็ง mm. เจอโรคความดัน mm. เจอโรคเบาหวาน mm. เจอโรคหัวใจ mm. แล้วหมอก็บอกว่าโอกาสที่จะอยู่จะตายนี้50าส mm. ตอนนั้นใจเราอาจจะเครียดอาจจะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราพิจารณาว่าร่างกายมันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกัน mm. เป็นอนัตตาเกิด mm. แล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ช้าก็เร็ว ไปควบคุมบังคับไปห้ามมันไม่ได้ถ้าไม่ยอมรับความจริงใจเราก็จะทุกข์ถ้าอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้ายอมรับความจริงว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ปล่อยมันแก่มันเจ็บมันตายไปอ่ะมันจะเป็นความดันก็ปล่อยมันเป็นไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ปตายก็ปล่อยมันตายไปอันนี้เราอาจจะต้องทําการบ้างคิดไว้ล่วงหน้าก่อนซ้อมไว้ก่อนพอเวลาเจอของจริงถ้าเรามีสมาธิมีอุเบคาเราก็จะปล่อยได้เราก็จะหยุดความอยาก ไม่เจ็บได้อย่างไม่ตายได้บางเรื่องเราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนถ้าเราไม่คิดพอถึงเจอเหตุการณ์จริงๆเราจะสอบตกทำทำข้อสอบไม่ได้เพราะเราคิดไม่คิดไม่ทันไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไรไม่รู้จะปองจะวางอย่างไรนั่นเองงั้นเราต้องฝึกปงฝึกวางไว้ก่อนดังที่ครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าหัดตายก่อนตายหัดเจ็บก่อนเจ็บหัดแก่ก่อนแก่ พอถึงเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายจะได้รู้จักวิธีทำใจว่าต้องทำใจอย่างไรไม่ให้ทุกข์กับมันนั่นเอง mm hmm. นี่ก็คือเรื่องของปัญญาที่จะตามมาหลังจากที่เรามีความชํานาญในเรื่องของสมาธิแล้ว mm hmm. แต่เราก็ยังทิ้งสมาธิไม่ได้เพราะว่าเรายังต้องกลับไปชาจแบดอยู่เรื่อย เ, mm hmm. เวลาพิจารณาทางปัญญาไปสักระยะหนึ่งจิตก็จะเริ่มหมดกาลังหมดอุเบกขาไดจ้จิตที่เย็นก็จะเริ่มนอนขึ้นมาได้ ตอนนั้นเราก็ต้องหยุดการพิจารณาแล้วกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ช่วงที่เจริญปัญญาก็ยังต้องเข้าสมาธิสลับกันไปสมาธินี้จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราขาดไม่ได้ทิ้งไม่ได้และต้องมีก่อนที่เราจะไปทางปัญญาได้สมาธิทำใจให้หลุดพ้นไม่ได้ต้องอาศัยปัญญาแต่ปัญญาถ้าไม่มีสมาธิก็ทำใจให้หลุดพ้นไม่ได้ปัญญาต้องมีสมาธิสนับสนุน แล้วปัญญา น, นี่จะทำให้จิตบุตรพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ต่อไปนี่ก็คือเรื่องของกรรมฐานที่ออกมาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะธ า, าวาเรวาหาตูราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานาังอุ ป, ปกัรปติ เอจิตังปะทีตังตุมหังคิดเปเนวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนาระโสยะธามณนิโชติระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารุโควินัสสตุ มาเตผวะตวันตาลาโยสุขีทีขายุโกผวะอภิวะธนศิลิสานิจังุทาปจายโนจตารโธรรมาวาทานเตอายุวันโอสุขังพาลาังช่วงต่อไปนี้ <c oughs> เป็นช่วงถามตอบคำถาม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 วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต447คน YouTube พระอาจารย์สุชาติไลฟ์340คน YouTube d กเตอร์วีชาน70วิ t h y ออ o นไลน์8 c l ับ h ฮ u s e 7ผู้รับฟังธรรมะนากุติ155คนรวมทั้งหมด 1,027 ครับเชิญถามได้ คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิครับการใช้เสียงเทศเป็นอารมณ์ควรใช้กรรมฐานแบบใดครับ ก, การฟังธรรมนี่เขาเรียกว่าธรรมานุสติการฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการฟังก็ดีด้วยการสวดบทคําสอนต่างๆก็ดีก็เรียกว่าเป็นธรรมานุสติคําถามต่อไปจากทางอินบ็อกซ์คุณระพีพัฒ ผมทำสมาธิโดยการบริกรรมพุทโธบางครั้งจิตเผลอออกไปพอรู้สึกตัวก็ลืมพอรู้สึกตัวว่าลืมบริกรรมก็กลับมานึกถึงพุทโธแต่ทุกครั้งที่นึกถึงก็ยังไม่มีอะไรให้จิตเกาะเอาไว้ได้เลยครับเมื่อคิดถึงพุทโธหลุดหายไปก็พยายามบริกรรมพุทโธต่อบางครั้งมีอาการโล่งวูบเป่าสบายรู้สึก รู้เนื้อรู้ตัวไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆครับบางครั้งเหมือนกําลังจะคิดก็รู้ว่าจะคิดมันก็หยุดคิดแต่ไม่มีภาพแสงหรือนิมิตใ ด, ดๆปรากฏให้เห็นแบบนี้เรียกว่า จ, จิตไม่ถึงฐานหรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าถึงฐานแล้วมันจะว่างหมดมันจะไม่เห็นอะไรเลยถ้าเห็นก็ยังว่าไม่ถึงฐาน <c oughs> พะฉะั้อย่าไปกังวลกับเรื่องเห็นหรือไม่เห็นขอให้กังวลกับเรื่องพุทโธว่าเรามีพุทโธอยู่ในใจเราหรือเปล่า<ม>เพราะพุทโธนี้จะพาให้ใจเราเข้าสู่ฐานของใจต่อไปได้<ม>ส่วนเรื่องแสงก็ดีอะไรก็ดีนี้เป็นเรื่องของปลอมทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของจริงอย่าไปกังวลอย่าไปติดใจกับมันเพราะมันจะหลอกเราได้มันจะทําให้เราทุกข์ได้ต่อไปเวลานั่งแล้วไม่เห็นอะไรมันจะทําให้เราทุกข์ เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจกับอะไรที่ปรากฏให้รับรู้ให้เห็นให้พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปให้หมดเราต้องการอย่างเดียวก็คือความว่างความสงบความสุขที่เกิดจากความว่างเมื่อจิตเข้าถึงฐานแล้วคำถามต่อไปจากคุณ <c oughs> คุณกวาง <c oughs> การที่เรามีบุตรธิดาถือว่าเราบาปไหมครับ ที่ทำให้เขาเกิดมาแล้วต้องใช้ชีวิตในโลกนี้ซึ่งทำให้เขาต้องเจอกับความทุกข์บ้างสุขบ้างครับไม่บาปหรอกมันเป็นบ่วงพระพุทธเจ้าบอกลูกนี้เป็นบ่วงมันจะผูกเราให้เราไม่สามารถที่จะออกไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เคยที่พระเจ้าได้ส่งข่าวว่าได้ยินข่าวว่าพระล พ, พระมเหสีคลอดลูกออกมาท่านก็อุทานคาว่าราหุนราหุนนี่แปลว่าบ่วง บ่วงได้เกิดขึ้นในใจท่านแล้วบ่วงที่จะมาลัดใจของท่านไม่ให้ไม่ให้สะละราชสมบัติออกบวชไปปฏิบัติธรรมเพราะความรักความห<ม>่วงลูกมันก็เลยทําให้เราต้องมีความผูกพันต้องเลี้ยงลูกดูแลลูกไปอย่างเต็มที่แล้วต้องไปสุขไปทุกข์กับลูกอีกเป็นเวลายาวนานดั<ม>นั้นการมีบุตรนี้มันเป็นบว่วงมันสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปปฏิบัติเธอให้หลุดพรานี้จะไปไม่ได้จะไปบวชก็ไม่ได้จะหาว่าทิ้งลูกทิ้งเมียไป พระเจ้าอะไรต้องหนีไปในคืนนั้นเลยแล้วก็แต่ท่านรู้ว่าท่านไม่ได้ทิ้งพกะมีคนดูแลอยู่มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องคอยดูแลอยู่แต่ท่านอยู่ต่อไปใจมันจะห่วงมันจะรักมันจะเป็นบวกที่จะทําให้ไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติเพื่อบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ต่อไป <c oughs> คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิครับเป็นคนที่ไม่อยากได้ของของใครแต่ก็ไม่ค่อยให้ของใครอันนี้ควรแก้ไขไหมครับก็มันก็แล้วแตนะ่ถ้าไม่อยากได้ของใครก็ดีแต่อย่าไปยึดติดกับมันเวลาใครเขาให้เราเราเราก็ควรจะรับไว้เพื่อเป็นการตอบแทนฉลองศรัทธาเขาบางทีเขาอยากจะให้อะไรเราถึงแม้เราไม่ต้องการเราก็รับไว้ ส่วนเราจะเก็บไว้ใช้หรือจะเอาไปให้คนอื่นเราก็สามารถทำได้ในภายหลังแต่ต่อหน้าเขาอย่าไปทำต่อหน้าเขาเช่นพอเขาให้มารับปั๊บก็ให้คนอื่นไปเลยต่อหน้าเขาอันนี้จะทำให้เขาเสียน้ำใจได้เพ<ม>ราะบางทีเราอาจจะทาอะไรแล้วประทับใจเขาเขาว่าอยากจ ะ, สะแสดงความประทับใจของเขาด้วยการให้ของเราเราก็รับไว้เพื่อไม่ให้เสียมารยาทไม่ให้เสียความรู้สึกแต่เราจะเอาไปทาอะไรกับของนั้นก็แล้วแต่เรา จะไปทำบุญต่อไปทำทานต่อหลือจะเก็บไว้ก็ได้ไม่เป็นปัญหาเลยแต่อย่าไปอย่าไปอยากได้ของของเขาอย่าไปอยากให้เขาให้หนู่นให้นี่เราอย่างนี้เป็นความโลภเพราะว่าถ้าอยากแล้วไม่ได้ก็จะเสียใจจะโกรธเขาได้ฉะนั้นการไม่อยากได้แตของใครนี้ก็ถือว่าดีแต่ต้องมีขอบเขตมีความมีมีประมาณมีกาละเทศะแต่ส่วนกรไม่อยากให้ใครนี้ไม่ดี อันนี้แหละคือความตนหนีความหวงความขี้เหนียวพูดง่ายๆความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของตนอยู่อันนี้ก็ต้องพิจารณาความตายบ้างตายไปของเนี้นก็ต้องให้เขาอยู่ดีถ้าให้ตอนตายไม่ได้บุญนะไม่ได้ความสุขจากการให้แต่ถ้าให้ตอนที่เรายังไม่ตายนี้เราจะได้บุญเราจะได้ความสุขแล้วความสุขนี้แหละที่จะพาให้เราไปสวรรค์ต่อไปได้ถ้าเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิมีสมคำถามครับคำถามแรกหากเรามีรายได้จากธุรกิจครอบครัวของพ่อแม่เราเอาทรัพย์มาถวายทานวงตระกูลและญาติของเราจะได้บุญหรือไม่ครับแล้วแต่ว่ามันเป็นทรัพย์ส่วนรวมหรือทรัพย์ส่วนตัวถ้าส่วนตัวเป็นของเราเราก็ได้บุญคนเดียวถ้าเป็นส่วนรวมของทุกคนเราก็ต้องบอกเขาก่อนต้องขออนุญาตต้องให้เขาทราบและให้เขาอนุญาตก่อน เขาถึงจะได้บุญด้วยกับเรานั้นก็ต้องอยู่ที่ว่ามันเป็นของของใครถ้าของของเราเราก็ไม่ต้องขออนุญาตใครเราให้ปับ๊บเราก็ได้บุญทันทีแต่ถ้าเป็นของคนอื่ น, นก็ต้องให้เขารับทราบก่อนแล้วว่าเขายินดีที่จะทําด้วยหรือไม่ถ้าเขาไม่ยินดีก็ต้องหักส่วนที่เขาไม่ยินดีไปคําถามที่สองเราเอามารดกของพ่อที่ให้ไว้ทําทานหลังจากที่ท่านตายไปพ่อจะได้รับบุญไหมครับ คือเราเอาเงินของท่านไปถวายทานแต่ท่านไม่ได้สั่งไว้ครับไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเงินของเราแล้วพ่อจะได้บุญก็ต้องให้ต้องตอนที่ท่านท่านให้เราเนียถ้าท่านให้เราตอนที่เรายังไม่ตอนที่ท่านยังไม่ตายแทนท่านแบ่งแบ่งมรดกไว้ลูกหน้าก่อนอันนี้ท่านจะได้บุญเพราะท่านได้เสียสละทรัพย์สมบัติของเขาของท่านไปแล้วแต่ท่านยังไม่ได้แบ่งเพียงแต่เขียนพินัยกรรมไว้ แ้วเวลาตายไปแล้วเขาข้อมาแบ่งกันทีหลังนี้ท่านจะไม่ได้บุญเลยคำถามที่สามถ้าเรามีจริตโกรธการเจริญเมตตาตอนกโกรธคนที่ล่วงเกินเราจะสอนใจในเวลานั้นอย่างไรครับก็ต้องสอนว่าความโกรธนี้เป็นเหมือนไฟเผาใจเราทังเกยียตดูวเวลาเรากโกรธนี่เราใจเราไม่เป็นปกติกินไม่ได้นอนไม่หลับ ต้องพยายามคิดถึงวิธีที่จะล้างแค้นเขาเพื่อจะให้ระบายความความความความร้อนใจนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีที่กระทำเพราะไปล้างแค้นเขาไปจองเวรกันไปสร้างความร้อนให้เพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าเราไปทําร้ายเขาเขาก็จะโกรธเราเราก็จะพยายามจะกลับมาทําร้ายเราอีกเราก็ต้องคอยวิตกกังวลหวาดกลัวกับการล้างแค้นของเขาอีกดังนั้นวิธีที่จะแก้ปัญหาของความโกรธก็ต้องใช้ไฟใช้น้ําแห่งธรรม น้ำแห่งธรรมก็คือความเมตตาต้องให้อภัยอย่าอย่าจองเวรจองกรรมกันพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเวรย่อมไม่ลงนับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมลงนับด้วยการไม่จองเวรแล้วถ้าอยากจะป้องกันเรื่องของความโกรธไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตเราก็ต้องไปที่สาเหตุของความโกรธความโกรธของเราเกิดจากอะไรก็เกิดจากความอยากความต้องการของเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นคนนี้ เอาเขาไม่ให้เราเราก็โกรธเขาขึ้นมาถ้าเร า, าไม่อยากจะให้เรามีความโกรธกับใครเราก็อย่าไปอยากได้อะไรจากใครทำใจให้แบบยินดีตามมีตามเกิดได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีแต่อย่างนี้แล้วเราก็จะไม่โกรธใครคำถามต่อไปจากคุณวัฒนานั่งสมาธิปริกรรมพุทโธดูลมเข้าออก ที่ปลายจมูกมีสติรู้อยู่กับลมพอเริ่มสงบขึ้นมีอาการใจนิ่งกายเบารู้ภาวะตรงนั้นได้นานขึ้นรู้ว่าไม่สุขไม่ทุกข์แต่ได้ขณะหนึ่งครับขอพระอาจารย์ชี้แนะครับก็ดูต่อไปยังไม่จบยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเหมือนขับรถไปจากกรุงเทพไปจากที่นี่จะไปกรุงเทพระหว่างทางเห็นเขามีตลาดนั่นก็แวะลงไปเที่ยวตลาดนั้น แล้วก็เลยไม่ขึ้นไม่ขับรถต่อไปมันก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่เห็นตลาดนัดก็อย่าจอดขับเลยไปเลยเราต้องการจะกลับบ้านเราไม่ต้องการที่จะแวะซื้อของอะไรเวลานั่งสมาธิเวลาเกิดอะไรอขึ้นมาก็อย่าไปพิจารณาอย่าไปวิเคราะห์ไม่ไม่ต้องไปให้ความสำคัญให้ดูลมต่อไปภาวนาต่อไปจนกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิแล้วมันก็จะถึงจุดหมายปลายทาง คำถามต่อไปจากคุณคณิตฐาทำสมาธิพอจิตรวมสงบแล้วรู้สึกว่าลมหายใจหายไประลึกพุโทโธตลอดเย็นทั่วร่างกายเป็นระยะต้องทําอย่างไรต่อไปครับอย่างนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติก้าวหน้าไหมครับถ้ายัางจิตยังไม่นิ่งก็ต้องพุโทโธต่อไปเมื่อกว่าจิตจะนิ่งนะพุโทโธมันจะหยุดไปเองโดยอัตโนมัติถ้ายัางพุโทโธได้ก็พุโทโธต่อไป คำถามต่อไปจากคุณต้นผมเอาเงินของผมให้แม่บอกว่าฝากซื้อของใส่บาตรพระตอนเช้าแม่ก็ซื้อของทำบุญใส่บาตรให้ทุกวันแม่จะได้บุญไหมครับบุญที่เกิดจากการทำทานแม่ไม่ได้เพราะเป็นของเรา <S <S ไม่ใช่เป็นของของแม่แม่จะได้ก็คือบุญที่เจอเกิดจากการรับใช้ผู้อื่นเป็นบุญคนละชนิดกันแม่ปนเแม่เป็นเหมือนคนรับใช้เราเราสั่งให้แม่ ช่วยทําบุญให้เราแม่จะไม่ได้บุญจากการทําบุญแต่แม่จะได้บุญจากการรับใช้ทําทำตามทำตามที่เราสั่งถ้าเราอยากจะให้แม่ได้บุญเราให้เงินแม่ไปเฉยๆแล้วไม่ต้องบอกอะไรแล้วถ้าแม่อยากจะเอาเงินนี้ไปทําบุญท่านก็จะได้บุญ คำถามต่อไปจากคุณน้ำขิงปัจจุบันเคยได้ยินว่ามีการนำบทสวดไปใส่เป็นทำนองเพลงรื่นเริงแบบนี้คนแต่งทำนองหรือคนฟังจะเป็นบาปไหมครับไม่บาปแหละแต่ไม่สมควรมันเป็นการส่งเสริมกามฉันทะส่งเสริมความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสซึ่งเป็นกิเลส ท, ที่จะมาขัดขวางควา ม, วามก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม คำถามต่อไปจากคุณชิโนธรร ม, มานุสติควรบริกรรมอย่างไรในขณะที่ฟังเสียงเทศครับไม่ต้องบริกรรมเลยฟังเฉยๆให้ตั้งใจฟังอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ฟังแล้วคิดตามได้พิจารณาตามได้ถ้าพิจารณาตามก็จะได้ปัญญาได้ความเข้าใจได้แสงสว่างถ้าไม่ได้พิจารณาฟังเฉยๆก็จะได้ความสงบคือสมาธิ คำถามต่อไปจากคุณอาจริตขี้หงุดหงิดรำคาญไม่ได้ดังใจควรใช้สติไหนในการทำกรรมฐานครับคือความอยาก เ, ยเรามันมีความอยากอยา ก, อยากได้นู่นอยากได้นี่มันก็เลยหงุดหงิดง่ายก็ต้องละความอยากคําถามต่อไปจากคุณ aip 911ถ้าเราเคยภาวนาจนจิตรวมแล้ว แต่พอป่วยอาการคล้ายสมาธิสั้น<ม>เวลาภาวนาเบลอๆไม่มีสติครับหาจิตไม่เจอขอกราบพระอาจารย์แนะนำอุบายในการปฏิบัติครับออวิธจีจะเจอจิตก็ต้องใช้สติต้องกลับมาที่พุโทโธพุโทโธพุโทโธเวเดี๋ยวพุโทโธก็จะพาเรากลับไปหาจิตไปหาความสงบได้อย่าไปความหาเองยิ่งความเท่าไหร่ยิ่งไม่เจอต้องใช้พุโทโธเป็นผู้ค้นหาจิตให้กับเรา ถ้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวใจก็สงบจิตก็จะนิ่งแล้วตัวรู้ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นคำถามต่อไปจากคุณ a อดีอารักขากรรมฐานทั้งสต้องมีในใจตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วแต่ว่าจะใช้เวลาไหนก็เหมือนน้ำดับเพลิงเนี่ยเครื่องดับเพลิงถ้าเราไม่มีเครื่องดับเพลิงเตรียมไว้ที่บ้านเวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเราก็จะไม่มีที่ดับ ที่บ้านบางแห่งเขาเลยมีเครื่องดับเพลิงเตรียมไว้ติดไว้ตามตามจุดต่างๆเผื่อเกิดไฟลุกขึ้นมาก็จะได้ใช้เครื่องดับเพลิงได้ทันทีอาลาัคะคำมัธฐานนี่ก็เป็นเหมือนเครื่องดับเพลิงเราก็ต้องติดตั้งไว้ในใจเราเหมือนโปรแกรมะโปรแกรมเราต้องติดตั้งเข้าไปในเครื่องก่อนใช่ไหมถึงเวลาจะใช้โปรแกรมใช้แอปเราก็จะใช้ได้ถ้าเราไม่ติดตั้งไว้ก่อนถึงเวลาจะใช้แอปก็ใช้ไม่ได้ อันในอารักฐากรรมาฐานก็เป็นเหมือนแอปพลิเคชันที่เราใช้ติดตั้งไว้ในใจเราเวลาเกิดความโกรธเราก็จะได้ใช้ความเมตตาระงับมันเวลาเกิดความวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายก็ใช้มานานุสติไปต้องเขางพวกนี้เราต้องเตรียมไว้ก่อนในใจเราต้องคิดถึงมันไว้ก่อนสร้างมันขึ้นมาต้องคอยฝึกยเยอะเรียกว่าเราตอบไปนี้เราจะต้องไม่โกรธแค้นโกรธเคืองใครใครก็ทําให้เราโกรธ ต, ต้องให้อภัยเขา ถือว่าเป็นการใช้เวรใช้กรรมกันไป เ, ออเวลาที่เกิดการมาราคาใครนึกถึงอสุภะดสูส่วนที่ไม่สวยงามไม่น่าดูของร่างกายออต้องซ้อมไว้ก่อนต้องเตรียมตัวไว้ก่อนถ้าไม่เตรียมตัวไว้ก่อนถึงเวลาเกิดเหตุจะนึกนึกไม่ออกทาไม่ได้คาถามต่อไปจากคุณใบห ย, ยกบางวันลูกเข้าสมาธิได้บางวันก็เข้าไม่ได้ครับแต่ก็ไม่ทาจิตให้อยาก ลูกก็ปล่อยไปตามธรรมดาและสังเกตดูจิตตนช่วงไหนที่เข้าสมาธิไม่ได้ว่าจิตโตดจิตจิตตนเป็นเช่นไรก็ไม่ร้อนเจ้าค่ะเป็นปกติความคิดมีแต่ไม่ได้ทำให้จิตใจลูกร้อนคิดแต่ไม่หล่นลงจิตไม่ปรุงไปในทางอากุศลเป็นปกติที่จะเข้าสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมเจ้าคะเพราะไม่มีกรรมฐานไงต้องมีกรรมฐานถึงจะเข้าได้ ต้องมีคำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือมีการเฝ้าการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาไม่ใช่ไปดูจิตดูจิตแล้วจิตมันจะไม่นิ่งเพราะจิตมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาให้มามีให้มาหากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งคำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธก็ได้หรือการดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้ถ้านั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้ ถึงจะดึงสติถึงจะมีสติที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้หมดแล้วเหระมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมคำถามที่ส่งเข้ามาได้ไ ด, ได้ตอบหมดแล้วใช่ไหม mm hmm. ได้อ่านหมดแล้วใช่ไหมคำถามจากคุณชานยุทธครับมีสองคำถามคำถามแรก อัฐิพระอาหารหันต์กลายเป็นพระาธาตุทุกองไหมครับไม่แน่อันนี้ท่านบอกว่าแล้วแต่ว่าระยะเวลาที่ท่านบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กับระยะเวลาที่ท่านตายนี่มันนานหรือไม่นานถ้านานโอกาสที่จิตอันบริสุทธิ์จะฟอกลงจะฟอกกระดูกให้เป็นพระธาตุนี้มันมีมากแต่ถ้ามีเวลาน้อยเช่นบรรลุวันนี้แล้วตายทุ่ง น, นี้นี่ ก็กระดูกก็อาจจะไม่มีเวลาได้สุกซักพอกก็จะไม่อาจจะไม่กลายเป็นพระาธาตุขึ้นมาก็ได้ฉะนั้นการดูกระดูกของผู้ตายว่าเป็นธาตุหรือไ ม, ไม่ไม่อยู่ที่การดูที่พระาธาตุเพียงอย่างเดียวเพราะบางทีท่านก็เป็นแต่ท่านมันเป็นตอนที่ท่านใกล้ตายอย่างนี้โอกาสที่จะทําให้าธาตุคือกระดูกนี้กลายเป็นพระาธาตุนี้มันมีน้อยแต่ถ้าบรรลุธรรมมาเป็นเวลาสิบสิบสบปีนี่ เวลาตายไปเผาศพเสร็จปั๊บเนี่ยกระดบูบางส่วนจะมีพระทาตปรากฏให้เห็นเลยคำถามที่สองผมไม่สามารถอ่านออกเสียงรอเรือรอหันได้จะสามารถสวดท่องปฏิโมกได้ไหมครับก็ต้องไปไปไปถามคนที่เขาตรวจดูว่าเขาจะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่าน คำถามต่อไปจากคุณจินตราการรักษาศีลห้าเด็ดขาดตลอดชีวิตตายเป็นตายไม่ยอมให้ศีลขาดปฏิบัติควบคู่บริกรรมพุทโธตลอดทุกลมหายใจเดินจงกรมนั่งสมาธิใจมันนิ่งเฉยฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อมาฝึกปฏิบัติธรรมาสองปีแล้วอาการแบบนี้ถือว่าการปฏิบัติก้าวหน้าไหมครับก็ต้องดูผลว่าเราปล่อยวางได้หรือไม่ เวลาใครเขาทำให้เราโกรธแล้วเราเฉยได้หรือไม่ไม่ไปทำลายเขาเวลาที่เราโลภเราอยากได้อะไรเรายังจะห้ามใจไม่ให้ไปลักไปขโมยของของคนอื่นก็ได้หรือไม่มันต้องดูที่ข้อสอบด้วยว่าเราสอบผ่านหรือสอบตกคำถามต่อไปจากคุณสุกัญญาเวลาสวดมน์แล้วหาวน้ำตาไหลจะทำอย่างไรดีครับก็ลุกขึ้นมาเดินแทงเดินจงกรมแทน หรือถ้าไม่อยากหาวก็พยายามกินข้าวให้น้อยลงอย่า ก, กินข้าวเย็นลดปริมาณของการกินอาหารลงไปอาการง่วงเหงาหาห้อนมันก็จะลดน้อยลงไปโอเคนะบทได้ใช่ไหมก็คิดว่าพาออ่ะยังมีคำถามเข้ามาคาถามหนึ่งเข้ามาคำถามจะผู้ฝากถามหน้ากุติครับ ถ้ามีคนเอาของให้เราเขาบอกให้เราใช้กับตัวเองแต่เราแบ่งไปถวายทานเราจะได้บุญไหมครับและผู้ให้ของได้บุญด้วยไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราบอกเขาก่อนใช่หไหมว่าเราไม่สามารถทาตามเงื่อนไขได้ถ้าเขาบอกว่าให้เราใช้คนเดียวแต่เราอยากจะเอาไปแบ่งให้คนอื่นเราก็บอกว่าไม่สามารถรับของที่คุณให้ตามเงื่อนไขได้เพราะว่าถ้ารับแล้วเราก็ต้องทาตามเงื่อนไขของเขา ถ้าเราไม่ทำตามเงื่อนไขก็เท่ากับเหมือนเราหลอกลวงเขาเรารับแล้วเร า, เาไปให้คนอื่นต่ออีกทีหนึ่งเราะนั้นถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเขาบอกว่าให้ให้เอาไปแบ่งคนอื่นได้ไหมถ้าเขาบอกได้ก็อย่างนี้เราก็ทาไปได้เหมือนหรือยังคำถามหนึ่งคำถามครับจากคุณวัสนาเรื่องพระาธาตุครับเล็บผมเลือดเป็นได้ตั้งแต่ยังไม่ตายเป็นพระาธาตุได้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ แล้วแต่คนบางทีคนก็ว่าผมก็เป็นพระาธาตุได้บางทีเรื่องที่แห้งแล้วก็เป็นพระาธาตุขึ้นมาได้เล็บก็เป็นได้แต่จะจริงไม่จริงนี้ไม่รู้อันนี้ต้องขอไม่ไม่ขอตอบเพราะว่าไม่ไม่ได้เห็นกับตาอันนี้ก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติ